คำว่ายินดีคือคือการไม่หา้ามคำว่าไม่ยินดีคือการหา้ามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาคำว่ายินดีกับไม่ยินดีไม่ได้หมายถึงถึงสภ า, ภาพความยินดีในใจพอใจแล้วว่าไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงการห้ามและไม่หา้ามชื่อว่ายินดีและไม่ยินดีนะครับในใ น, ในวินัยนะครับหมายถึงตรงนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับผมว่าจะถึงกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอก่ อ, อนจะถึงกรรมมันมันมันมีมันมีมันมีอันอื่นก่อนที่จะถึงกรรมนะครับ มันมีอันอื่นก่อนที่จะถึงกรรมเดี๋ยวอันนั้นงดไปนี้หนึ่งก่อนเดี๋ยวมันข้ามลำดับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาต่อกันไม่ติดนะครับทีนี้ท่านบอกว่าออบอกลาเข้าบ้านกเหมือนกันบางทีปกติเวลาเน้นจะไปไหนพระจะไปไหนใช่ไหมครับอาจารย์ผมขออนุญาตไปนู่นไปนี่เคยบอกแต่เวลาที่เราเข้าปริวัทหรือประพฤติปริวัติอยู่ท่านเน้นมาบอกลาอย่างนี้เราบอกว่าเธอไม่ต้องบอกก็เราเรากําลังประพฤติเอเรากลาลังทําวินัยกรรมอยู่หรือเราจะบอกเลยก็ได้ว่าเราเประพฤติวินัยกรรมเกี่ยวกับ ไอ้อวุฒิฐานวิธีนะครับบอกเลยว่าเรากําลังทํำวินัยกรรมเธอไม่ต้องมาบอกลากับเรานะครับ <varit> เพราะการบอกลาก็ชื่อ ก, ก็ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นในข้ อ, อนี้เหมือนกันแต่เป็นในข้ออุปถากอะไรรวมอยู่ในข้ อ, อนี้ด้วยการมาบอกขอขออนุญาตเข้าบ้านขออนุญาตไ ป, ไปนู่นไปนี่ไปไปที่นูน่นที่นี่เพราะฉะนั้นเราบอกเสียไม่ไม่ต้องมาบอกกับเราะเราทําวินัยกรรมเธอจะไปบอกกรรับ อ, กกรรองค์ไหนก็ไปบอกนะไม่ต้องบอกกับเราทีนี้ ท่านบอกว่าแต่การยินดีในการไหว้การอภิวาสการอะไรพวกนี้ก็ดีในพระปริวัติด้วยกันนะครับท่านอนุญาตตามลําดับผู้แก่นะครับพิสูจผู้ปฏิวัติกรอายุมากกว่าพันสามารถกกว่าใช่ไหมองค์งน้อยกว่าจะไหว้จะบูชาจะเอจะเอาอาสนะเอาอะไรอะไรมาให้ไม่หะไม่ต้องห้ามก็ได้ไม่เป็นอบัตินะครับเอามาให้ก็ออเ อ, เอขอบใจอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับ ตามตามลำดับผู้แก่นะครับและทีนี้ท่านบอกว่ายังไงเรียกว่าเรียกว่าประกาศตาภิกษุผู้ควรแก่ปฏิการศนานะครับภิกษุผู้ควรแก่ปฏิการศนาเข้าใจปฏิการศนาหรืเน้นฌานไม่เข้าใจคือต้องต้องอาบัตรแล้วแล้วก็อยู่กําลังอยู่ปริวาทนะฮะกําลังประพฤติปริวาสอยู่หรือประพฤติมานัทอยู่ไม่ได้เก็บกําลังประพฤติอยู่ แล้วก็ไปต้องอีกนะครับต้องอาบัติอาบัติสาอีกอาบัติสังฆทานิเศษสาอีกอย่างนี้ต้องชักเข้าหาอาบัติเดิมปฏิการศนาคือล้มเลิกของเก่าๆที <ähr> ่ประพฤติแล้วก็จะมาประพฤติใหม่เริ่มต้นกันใหม่ทีนี้ยังไม่ทันเริ่มต้นยังไม่ทันขออย่างนี้เรียกว่าควรแก่ปฏิการศนาควรที่สงฆ์จะล้มเลิกวันเก่าๆแต่ยังไม่ได้ขออย่างนี้เรียกว่าควรควรแก่ปฏิการศนาควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ควรล้มเลิกของเก่าแล้วก็เริ่มต้นนับใหม่สมมติว่าอยู่เราขอไปฏิวัติไว้สิบวันอยู่ไปเก้าวันในวันที่เก้านั้นเมื่อคืนนั้ น, น, น, นท่านพิจิตรต้องสังฆทานิเศษอีกนี่ยซ้ำเข้าไปอีกต้องล้มเลิกไอ้เก้าวันนั้นทิ้งไปหมดเลยล้มเลิกแล้วแต่ยังไม่ได้ขอควรแก่การขอใหม่ใช่ไหมฮะแต่ยังไม่ได้ขออย่างนี้เรียกว่าพิกถตกผู้ควรแก่ปฏิการนาผู้ควรแก่สงจะดึงเข้าไปหาวันแรกใหม่เริ่มกันนับใหม่แต่ยังไม่ได้ขอ แต่พอขอแล้วเรียกว่าปฏิการนาภิกจุเลยตอนนั้นขอแล้วใช่ไหมครับผมมีข้อสองสัอยอ่าถามเลยครับในกรณีตัวอย่างท่านมีสิทธิเมื่อกี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเก้าวันแล้วครับต้องเองต้องอี ก, ต อ, อกตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้บอกว่าตนเองต้องปฏิการนาครับแล้วก็ยังสมาทานประพฤติจะนับราตีของเก่าได้อีกไหมไม่ได้ครับไออยู่ไปแล้วก็เสียไป ไปขอมานัดใช่ไหมครับที่อยู่เกันนี้เสียไปเสียไปเสียไปโดยโดยนั่นเลยครับโดยที่ต้องเลยครับถึงจะอยู่ต่อไปโดยไม่ก็ก็ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ครับแบบโดยคิดว่าเดี๋ยวอยู่ตัวนี้ให้มันหมดหมด้วตัวหลังอีกไม่ได้ครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันไม่สำเร็จแล้วไปขอมานัดมานัตก็ไม่สําเร็จไปขออพาณาภาณ์ก็ไม่สําเร็จคือเท่ากับยังไม่ได้อยู่เลยครับยังไม่ได้อยู่เลยในว่าจะต้องคนละตัวก็ตามใช่ไหมครับครับเพรต้องในระหว่าง ในขณะเพราะท่านบอกไว้เลยไม่พึงต้องอาบัตที่เอเหมือนกันก็ดีต่างกันก็ดีเร็วกว่าก็ดีใช่ไหมครับเหมือนกันคือเอเอเอข้อเดียวกันต่างกันคือต่างข้อออกไปอาบัติต่างตัวต่างวัตถุใช่ไหมครับข้ออื่นมันมันมันเหมือนกันโดยชาติใช่ไหมครับแต่มันคนละวัตถุกันอย่างนี้ก็ไม่ควรต้องเร็วกว่านั้นก็ไม่ควรต้องเพราะฉะนั้นเร็วกว่ามันเป็นบาราชิกไปแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไม่นับแอลกออนี้เพราะฉะนั้นคนละคน ไ อ, อ, อ้ข้อเดิมสมมุติว่าข้อที่หนึ่งต้องสุขวิชานธิใช่ไหมครับแล้วก็ขอไปว่าสิบวันแล้วอยู่ไปเก้าวันแล้วเราต้องไอ้ตัวเดิมอีกอย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าต้องเดิมท่านบอกว่าต้องตัวใหม่ต้องอีกตัวหนึ่งแต่ท่านมันจะไม่บอกว่าต้องวัตถุอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่ข้ออื่นแต่ข้อเดิมต้องอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนู้นก็สิบวันแต่ไอ้ตัวนี้มันเพิ่งต้องเพราะฉะนั้นวันมันต่างกันท่านเรียกคนละตัวถึงจะเป็นข้อเดียวกันใช่ไหมครับข้อเดียวกัน ถ้าต้องอย่างนี้แล้วการต้องอย่างนี้แล้วมันต้องล้มเลิกเก้าวัน ท, ท, ที่ที่ประพฤติมาอย่างนี้เรียกว่าควรแก่การล้มเลิกแต่ยังไม่ได้ล้มจะล้มต้องเข้าไปหาพระสงฆ์นะแล้วก็ขอใหม่ขอว่าผมต้องเอาบัตรกาลังประพฤติมิลาศอยู่แล้วก็ต้องอาบัติใหม่อีกนะพร ะ, พระสงฆ์ก็สวดกรรมวาจาให้พอสวดให้เสร็จอย่างนี้เรียกว่าปริกัศนาพิกูุนแล้วไม่ใช่ควร ทำซะแล้วตอนนี้พระสงฆ์ล้มเลิกวันทั้งหมดเลยให้นับใหม่เริ่มต้นหนึ่งใหม่แล้วอย่างนี้เรียกว่ากําลังประพฤติปฏิการนาเลยเริ่มต้นหนึ่งใหม่ก็นับเก้าวันเท่าเดิมหรือว่าเป็นสิบวันกับวันที่สมมุติในวันแรกขอไว้สิบวันใช่ไหมครับแล้วก็พฤติไปเก้าวันเหลือวันหนึ่งวันหลังนี่บอกไว้คืนหนึ่งก็ดีสองคืนสามคืนสี่คืนห้าคืนสมมล้วน้อยกว่าแล้วกันน้อยกว่าสิบวันบอกไว้วยเก้าวันก็ต้องอยู่แค่สิบวันครับสิบวันที่ททีี่เอาไปรวมรวมเหมือนกับไอ้สิบวันนนนเป็ภาชะ ใหญ่ๆแค่นี้สิบกิโลจุของได้สิกิโลแต่ไอ้ของใหม่มันเก้ากิโลมันสามารถสุบลงไปในของใหญ่ได้เลยรอยเท้าช้างอ่ามันเหมือนลงไปในรอยนั้นเลยเพราะฉนั้นก็ประพืชอันใหญ่อันอันใหญ่ที่สุดนะครับประพืชอันที่มากที่สุดไม่กรณีที่ท่านอาลีถามเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านจะถามแบบว่าเมื่อยกเลิกเก้าวันแล้วเนี่ย มาขอใหม่ขอใหม่แล้วจะนับเป็นลาติที่สิบเลยหรือไม่ใช่ไม่ใช่ยกเลิกคือมันใช้ไม่ได้ไงก็ต้องนับหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่เริ่มก็หนึ่งสอสามสี่้าจนมาถึงสิบใหม่ก็รวมแล้วก็ประพฤติสิบเกวันสิบวันประพฤติสิบวันแต่ที่เราอยู่มาแล้ว9้าวันกับอีกสิบวันก็เป็นสิบสิบเก้าวันแต่มันนับได้เพียงสิบวันนับได้เพียงสิไอ้เก้าวันนั่นไม่ต้องนับแล้วมันเสียหมายว่ามันเน่ามันเสียไปมันเสียไปถึงเราเอาประพฤติปริวาทขอปริวัติสิบวันใช่ติมาครบแล้ว ออมานัตอีกหกลาตีพอไปถึงราตีที่ห้าหรือราตีที่หกก็แล้วแต่ดันไปต้องอีกในระหว่างต้องล้มหมดเลยทั้งบริวัตทธรรมนัตไปเริ่มต้นนับหนึ่งในบริวัตใหม่ครับอย่างนี้ล้มหมดเลยไม่ใช่ล้มแค่ธรมนัตแล้วก็อยู่แค่ธรมนัตอย่างนี้ใช้ไม่ได้อีกล้มในที่นี้คือล้มไปหมดเลยไอ้สามที่ประพฤติประพฤติมามันเสียหมดเพราะเราเราเร า, เราไม่สังวรเราไม่ระวังพระเจ้าเออมึงอยากไม่ระวังนะมึงไปนับมาหมายมึงไปนู่นเริ่มต้นวิ่งมาใหม่ไปอย่างนี้ครับหมายถึงอย่างนี้ ทำทษอีกครับทำโทษซ้ำลงไปเหมือนกับทาหารนี่เขาทำมันวิ่งเยอะ ๆ, ๆพอให้จำพื้นมาห้าสิบครั้งไปถึงสี่สก้าแลา้วทําอ้าวมึงเริ่มต้นใหม่อย่างนี้คเขาของเก่าสีเก้าครั้งมันเลยไม่ได้นะครับอ้าวเนื้ซอซอ้ซอา บ, บขึ้นมาใหม่อีกจนถึงห้าสิอย่างนี้ที่พิสิทธ์จะเข้าใจเขาเคยเป็นทหารเก่าเราต้องในระหว่างที่ประพฤติมานัทอยู่อย่างนี้เนี่ยครับจะต้องล้มทั้งมานัทล้มทั้งปรีล้มทั้งมานัททั้งปริวายครับไม่ได้ เออไม่ได้พระเจ้าไม่เห็นใจครับตรงนี้ไม่เห็นใจเพราะถ้าไม่เห็นใจก็วิโอ้ยแค่หกวันนี้เดี๋ยวก็ทำไมก็ได้มันนี้จิตแกคิดอย่างนี้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นมันล้มหมดเลยครับล้มก็คือเสียหมดเลยล้มทั้งบริวาสาจะล้มแค่มานัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับล้มในที่นี้คือต้องล้มปริวาสตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาจนถึงมานัดที่เราประพฤติอยู่เพราะนั้นการล้มการชักเข้าหาบารเดิมคือไม่มีชักเข้ามาแค่สุดมานัดไม่มีนะครับ ต้องชักไปจนสุดเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นการขอกันใหม่เลยนะครับประพฤติกันมาใหม่เลยข้าใหญ่เน้นปฏิการนาคือเน้นจิตเน้ญฌานปฏิการนาคือทิกศผู้ผู้ประพฤติบริวาทอยู่ใช่ไหมแล้วต้องอาบัตในขณะที่ประพฤติอีกข้าใจว่าจิตอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถึงอแต่อธิบายซะก่อนเลยก็ะดากําลังถึงปฏิการนาใช่ครับสมมติว่า เราเราขอไปวาดไว้สิบวันนะครับผมไปไว้สิบวันแต่มาต้องในระหว่างพอถึงวันที่เก้าเราต้องอีกค่ะแต่เราประพืชไปเรื่อยๆเล ย, เ, ลยเอาเอาเอาวันเดียวดีกว่าวันเดียวหรือสองวันคือปกปิดไว้นานกว่าที่ประพืชมาเก้าวันเอาสมมติว่าประพืชมาเก้าวันแล้วก็ต้องอาบัตรในระหว่างแล้วก็ประพืชต่อไปแล้วก็ขอมานัดไป เราก็ประพฤติปฏิวัติไว้เกินประพฤติมานาัดไว้เกินใช่ไหมสมมติเนี่ยอย่างนั้นส่วนมากท่นนิยมทําเกินนะครับทําเกินขอสิบก็อยู่สักสิบห้าขอม า, าัดหก็อยู่สักสิบอะไรอย่างนี้ประพฤติเกินที่มันเลยปกปิดเกินไปครับปกปิดไว้เกินสิบวันอ่าพระพระเถเรซองค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าต้องในระหว่างปกปิดไว้มากกว่าอาบัติเดิมท่านบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นอเตกิจฉาให้เธอทําให้แจง้งแล้วปล่อยทิ้งไปเถอะไอ้คนอย่างนี้ไม่ควรรักษาบอกงนะั้นรักษาไม่ได้นะไอ้คนอย่างนี้มันลามกมาก ท่านนบอกองี้พร ะ, ะสมัติมหาสมัตเถระนะครับมหาสมตเถระท่านบอกว่าถ้าอยู่ปริวาติมาแล้วก็ปกปิดไว้มากกว่าของเดิมบุคคลเช่นนี้เป็นอเตกิจฉาปแลาเยีวยวยาไม่ได้ให้เธอให้เธอประกาศในสงฆ์ว่าเราเราปกปิดไว้นานกว่าเดิมแล้วก็ปล่อยทิ้งไปซะไม่ต้องให้มันมาพื้นมาพื้นแล้วไม่ต้องตวจให้แล้วปล่อยทิ้งเลยเคนนี้คือปล่อยทิ้งไปเลยพระมหาปุมุตตะราเถระบอกว่าเอกปฐมเถระ พระธรรมเทศาบอกว่าไอ้ที่ต้องไว้แล้วปิดไว้ในระหว่างมากกว่าน่ะทําไมจะชื่อว่าอาเตกิษะ ช, ชื่อไม่ได้เพราะในกรรมะในในในบริวาริกาขันธะนี่ในสมุจจะยะขันกะนี่พระวินัยทรเท่านั้นเป็นสําคัญนะครับพระวินัยทรเป็นสาคัญเพราะในสมุจจะยะขันกะนี้พระพุทธเจ้าจะยังทรงอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีมี ม, มีมีอำนาจเสมอกันเพราะนั้น ทุกคนแก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ในอบัตตัวนี้ในอบัตสังคติเศสไม่ใช่ปริชิกนี่จะชื่อว่ า, าเตจิกิฉาไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงพระวินัยณทอก็ลม้มล้มทั้งสองอันล้มอันที่ประพฤติเดิมใช่ไหมครับแล้วก็เอาอันต้องทีหลังเนี่ยที่มากกว่าเอาไปเป็นอวบัตเดิมแล้วก็เอาอบัตเดิมสวมลงไปในอวบัตตัวนี้เพราะอนุนมันมากกว่านะครับอันที่ต้องทีหลังมากกว่าก็เอาเอาอนัอนอันที่มากกว่ า, าไปเป็นอวบัตเดิมเอาอวบัตเดิมรวมลงไปในอบัตที่มากกว่านี่แล้วก็สวด ตรวจประกอบคําว่าจะว่าปิดได้กี่วันมากกว่าของเดิมก็ประกอบให้มากกว่าเดิมแล้วก็สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นไม่ชื่อว่าอาเตกิชาเพราะยังเยียวยาได้เพราะในสมุดจะยาคักะพุทธเจ้าอนุญาตไว้อย่างนี้นะครับอนุญาตว่าไม่ใช่อเตกิฉาที่สูภูต้องเาบทั้งที่เศษชื่อว่ายังเยียวยาได้เสมอเลยนะครับจะปิดไว้นานหรือไม่นานเพราะนั้นเอ อ, เ อ, อมติหลังนี่ถูกต้องกว่านะครับตรงกับพระบาลีมากกว่ารู้ด้วย นี่ดีกาดีกาดีกาแต่นี่ไอ้นี่มันมันรามกมากอ่ะเลี้ยงไม่ได้แล้วปล่อยแมงไปเธอให้มันไปทำผู้ยีผุ้ยันชใช่ไหมใช่นี่นี่ น, นี่สมชายดีกาอันหลังนี่ปิดไว้สิบห้าวันแรกที่จะอยู่สิบวันแล้วอยู่เก้าวันเกิดไปต้องอาบัตดซ้ำอย่างนี้สิบห้าวันที่ปิดนั้นจะต้องอยู่ปริวาติสิบห้าห้าวันแล้วจะต้องเอาของเก่าที่ปิดปิดวันมาบวกไม่ไม่จะบวกขึ้นสวมลงไปเลย อสรุปลงไปในสิบห้าวันคืออันแรกนี่เป็นโมคะไปเลยครับโมคะเลยเหมือนเหมือนกันเหมือนกันกับในลักษณะเดียวกันเราเราโควิดเราเราขอไปว่าสิบวันแต่เรามาต้องในระหว่างอีกห้าวันก็เอาห้าวันสวมลงไปในสิบวันแล้วก็อยู่สิบวันเอาอยู่อันวันที่มากที่สุดนะครับจะก่อนจะหลังก็แล้วแต่อยู่วันที่มากที่สุดต้องขอไปว่าในวันที่มากที่สุดนะครับขอไปว่าในวันที่มาที่สอันนี้สรุปนะครับอ่าต่อไปมันช็คออฟได์ไปไกลแล้วนี่ อ่าต่อไปโมคูนี้ถึงว่าภิกษุผู้อ่าที่ที่กล่าวมาถึงตรงนี้มาจากปฏิการนาระหานะครับภิกษุผู้ควรแก่ปฏิการนานะครับเป็นประกาศ ต, ตาของภิกษุบริวาทภิกษุผู้ควรแกป่ปฏิการนาเนี้เป็นต้นนะครับเป็นเป็นประกาศตะของภิกษุบริวาทคำว่าเป็นปกาศตาะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าภิกษุผู้อยู่บริวารไปไปไ ป, ไปอาศัย ขอขอกรรมวจารูร้อขอสวดขออะไรกับภิกษุผู้ควรแกปฏิชันน่ะปริวาสนะครับไม่ใช่แก่ปฏิกสนาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นประกตาศตาคือลุกรับก็ได้ไหว้ก็ได้ทําอัญชิีได้เอาอาชนะมาให้ก็ได้อะไรหมายถึงอย่างนี้นะครับหมายถึงอย่างนี้ในปริวาทด้วยกันภิกษุผู้แก่กว่าก็ยินดีการไหวของภิกษุผู้อ่อนกว่าได้แต่ปริวาสนี่ต้องต้องไม่ยินดี ต้องไม่ยินดีการไหว้ของพิกษุผู้ควรแก่ปฏิกรนานะครับไม่ยินดีการไหว้ของพิกษุผู้อ่อนกว่าแต่เป็นมานัทตาจาริกะรสมมุิว่าผมประพฤติปริวาติอยู่ผมพรรษาแก่กว่าท่านพิสิตรใช่ไหมครับแต่ท่านพิจิต์ประพฤติมานัทอยู่อ่อนกว่าผมจะมาไหว้ผมแล้วผมไม่ห้ามอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ผมต้องห้ามเพราะเพราะมานัทตาจาริกะก็ดีควรแก่มานัทก็ดีควรแก่อภานก็ดี ชือว่าเป็นประกาตาของผมผมต้องห้ามถึงผมจะแก่กว no, so ่าต no. <ind> ้องห้ามนะครับต้องห้ามแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมถ้าผมประพฤติปริวาติอยู่ท่านพิสิทธิ์ประพฤติปฏิวาทอยู่เหมือนกันท่านพิสิทธิ์มาไหว้ผมผมไม่ต้องห้ามไม่ใช่ครับต้องไหว้ตามลําดับผู้แก่ถ้าบริวาติเหมือนกันมานัทเหมือนกันผู้ควรแก่มานัทหนี่ต้องไหว้ตามลําดับผู้แก่นะครไม่ต้องห้ามแต่ถ้าผมแก่กว่าแต่ผมเป็นปริวัทท่านพิสิทธิ์เป็นมานัท หรือเป็นเป็นปฏิการนาผมต้องห้ามแล้วมามามาไหว้ผมหรือเอาอาสนะเอาน้ํามาให้ผมต้องห้ามแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็สรุง่ายว่าปริวาสแต่ปริวาสเนี่ยปริวาสกับปริวาทเนี่ยครับยินรีการไหว้กันได้นะแต่ถ้านอกจากปริวาสด้วยกันแล้วที่ที่แกกว่าเราไอ้ที่ ท, ท, ท, ที่ประพฤติวัดก่อนเราเป็นเป็นควรแก่ปฏิการนาก็กดีเป็นมานัดก็ดีควรแก่มานัดก็ดี พวกนี้เราต้องห้ามแล้วถึงเราจะแก่กว่าเราต้องห้ามถ้าไม่ห้ามก็ชื่อว่ายินดีนะครับของของปฏิวัติเพราะฉะนั้นปริวาติพิกสุก็คือต่ําสุดแล้วก็นับสูงไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปในพวกมานัทพวกเดียวกันก็ยินดีในในพวกเดียวกันได้แต่จะไปยินดีกับพวกควรแก่อภานไม่ได้นะครับสมมุติว่าคําว่าควรแก่อภานคือพิกสุผู้ประพฤติมานัทครบหกลาตีแล้วแต่ยังไม่ได้ขออภานในขณะนั้นไม่ได้เก็บวัด นะฮะไม่ได้แก่ว่าอย่างนี้เรียกว่าควรแก่มานัทภิกษุภูควรแก่มานัทไม่ใช่แต่ยังไม่ได้อภาร์ไอ้ควรแก่อภาน์นะขอโทษดิควรแก่อภารแต่ยังไม่ได้ขออภาร์พระภิกษุสงฆ์ยังไม่ได้ตรวจอภานให้นะแล้วมนัทตามวันหรือเปล่าตาวันยังฮะอ๋อในในบาลีหรือในอัจฉริยไม่มีบอกอะไรเพียงแต่เราประพฤติกันผมเห็นมีไหม ม, มีมีประพฤติไหมอย่างนี้ภิกษุมานัท โอแ้แต่ผมเจอตรงไหนวะแต่ไม่มีในในสมัญตะไม่มีเลยพิสูจมานัดขอมานัดแล้วหนึ่งวันประพฤติหนึ่งวันมานัดอีกองหนึ่งอ่าห้าวันอย่างนี้ไม่มีไม่มีในนี้เลยแต่แต่ทั่วไปเขาทํากันไหมเออมีไหมมีไหมแล้ ว, วมีบ่างทั่วไปที่เขาทํากันนะครับขนาดเกณฑวัดแล้วนี่เขายังแบ่งชั้นกันครับ ไม่ได้ขณะเก็บวัดแล้วเวลาลงอุโบสถเวลาทําอะไรกับข้าอาจารย์กรรมนี้ไม่ได้เลยยังยังร่วมไม่ได้จะนั่งกินข้าวบ่งเดียวกันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ้าถ้าอย่างนั้นนอกธรรมนอกวินัยแล้วครับกรรมนั้นไม่เป็นธรรมแล้วครับอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้อย่างนั้นอย่างนั้นจะเดี๋ยวจะไปมีในอพวกกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ประกอบเลยธรรมเพราะไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าแสดงใช่ไหมครับเก็บวัดแล้วก็เป็นประกตตะต้อง ไม่ใช่ปริวาสแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่เดี๋ยวมีพิสูจผู้ผู้อยากจะรับผ้าน้ำฝนหรือหรืรรรออผ้าจำนำพรรษาใช่ไหมครับปริวาสิกาพิสูจนี้จะรับตามลําดับของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะรับอยากจะอยู่กุฏิกุฏิที่มีมีผ้าจำนำพรษาคือ ม, มีโยมเขาสร้างกุฏิแล้วก็บอกถ้าใครอยู่ในกุฏิของเขานี่ยเขาจะถวายผ้าปีละหนึ่งชุดเลยผ้าจำนำพรรษาคือเวลาออกพรรษาแล้วใช่ไหมครับ ผ้าที่อยู่ในช่วงการกระถินเนี่ยที่เราหาผ้าได้เขาจะถวายเฉพาะพิกูุผู้จํามันจําในใ น, ในกุฏิเขาเลยอย่างนี้ผ้าที่อยู่ปฏิวาติมานัทอะไรพวกนี้จะไปจองเอากุฏินั้นไม่ได้แต่อยากจะจองสมมุติว่ามีความต้องการอยากจะอยู่ที่นี่ต้องเก็บวัดเสียก่อนแล้วจึงจองแล้วจึงจะได้ผ้านั้นครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เก็บวัดคือมีสิทธิเท่ากับองค์อื่นเป็นปกตาศตราเท่ากับองค์อื่นหยุดวัดตรงนั้นแน่แล้วก็ แล้วก็ก็เข้าไปจองแล้วจึงจึงมาพุตธต่อไปได้นะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไปข้างหลังมีอย่างนี้ต้องเก็บวัดก่อนท่าประสงค์อยากจะได้ใจจีวออยากจะได้ผ้าจีวรที่เขาจะถวายในการจำพรรษาอยากต้องจองกุฏิไว้ก่อนใช่ไหมครับพระพอใกล้เข้าพรรษาก็มาจองอะไรฮะเราอยู่ที่นี่นะเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่ก็จองกันพริวัฒจะมาจองมานั้นจะมาจองเหมือนกับพระบระกตาตาอย่างนี้ไม่ได้ ต้องให้เขาเลือกกันให้หมดซะก่อนแล้วจึงจองไอ้ไม่ใช่จองแล้วจึงอยู่ครับมันจะเป็นกุฏิเร็วตามเละเทะแค่ไหนเก่าแก่แค่ไหนขํามข้าแ่ไหนก็ต้องอยู่ถ้าจะอยู่แต่อยากจะจองท่านบอกว่าถ้าประสงค์จะจะจับ จ, จองกุฏิประสงค์จะจองกุฏิที่มีผ้าจํานําบัรษายอย่างนี้เธอต้องเก็บวัดเสียก่อนจะเป็นบริวารกรณมานั้นกรณีเธอต้องเก็บวัดเสียก่อนทำให้ทําต้นให้เป็นปกตตะแล้วจึงจองแล้วค่อยประพฤติมานัทค่อยประพฤติไปราต่อไป แล้วก็มีสิทธิ์ในภาคนั้นอย่างที่จิตภาวันเข้าอรมหลักสูตรทนแหว่ครับก็จะมีคอสปริวาต์ด้วยเข้าปริวาต์ครับแล้วมันมีช่วงเดือนเมษาเนี่ยพระต้องออกไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับครับเขาจะเข้าเดือนมีนาก่อนจะถึงเจณอาหารแล้วเขาก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้ออกกับพันเนี่ยจะไปเกณฑ์ทหารต้องพาอาจารย์ไปสีลูก คือขณะเก็บเช้ามาก็เก็บแล้วแหะครับถ้าจะกลับบ้านไปนี้ต้องเอาไปสีลูกอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมครับไม่เป็นธรรมไม่ไม่ต้องไม่ต้องตามที่พระเจ้าอนุญาตไว้ไม่เป็นธรรมนี่กติกาทํากันขึ้นมาเองไม่ไม่ไม่ไม่คอยตามที่พระเจ้าอนุญาตคือคือขัดกันเลยตรงกันข้ามหมายว่ามาตั้งกติกาขึ้นมาที่ขัดกับธรรมัดขัดกับวินัยเลยอย่างนี้ตั้งกติกาขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรม ในขณะนั้นไม่ต้องาพาใครไปเราเก็บวัดเป็นประกตศตาแลนะ้พาใครไปไม่ต้องพาใครไปหมดแล้วนะครับตรงนี้หมดไปส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการยินดีการกราบไหว้หรือใครเป็นปกตศตาของใครนะครับอผ่านไปส่วนหนึ่งนะครับออ่่าตที่ควรปฏิกาศสนาครับครับมันน่าจะต่ํากว่าปริวัติไม่ใช่เพราะตอนนั้นปริวัติก็เลิกไปแล้วใช่ไหมครับมันใช้ไม่ได้และยังไม่ได้ขอ ยังไม่ได้ขอใหม่ใช่ปะ่ะตอนนั้นก็เหมือนกับที่ท่านกําลังพึ่งเริ่มต้องแต่ยังไม่ได้ขอปริวาตเลยท่านยังไม่ได้ประพฤติเลยสมมุติถ้าท่านบอกไว้ใช่ไหมครับไอ้ควรนี่คือไปบอกไว้นะครับแต่ไม่ยังไม่ได้ขออ้ยผมต้องแล้วนะครับผมต้องในระหว่างพระสงฆ์นั้นเธอไปขอใหม่ไอ้ในช่วงนี้ควรแก่แปริกิศินาใช่ไหมครับควรแก่การขอใหม่ล้มเลิกของเก่าใช่ป่ะเหมือนกับท่านพึ่งเริ่มต้องแต่ยังไม่ได้ประพฤติวัดเลยผมคิดว่าอย่างนี้ ต้องมาแล้วประพฤติมาแล้วยังมาซ้ำโดนซ้าอีกน่าจะทําโทษเป็นพี่เป็นพี่แก่แล้วไม่ไม่น่าจะถูกทําโทษให้นาวาอ่าน่าจะจัดอยู่อันดับที่ซํากว่าไม่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไพึ่งพึ่งขอกับไอ้ยังไม่ได้ขอนี่ยังไม่ได้ขอนี่ก็ยังไม่ชื่อว่าปริวัติกาพิสุใช่ปะของเก่ามันยังไม่สำเร็จก็ยังไม่สําเร็จมันเสียไปก็ชื่อว่าการไอ้ทีสวดให้มันเสียไปแล้วใช่ปะไอ้ของใหม่ก็ยังไม่ได้ขอก็ชื่อว่ายังไม่ได้ประพฤติบริวารเลยตอนนี้ จริงๆแล้วเป็นประกตศตะแต่เพียงแต่มีอาบัติอยู่ใช่ไหมมีอาบัติอยู่เพราะฉะนั้นต้องขอเพื่อประพฤติช่วงที่ยังไม่ได้ขอนี่จึงเป็นปกตศตะของบริวาสใช่ปะ่ะแต่จะให้เสมอกับภิกษุผู้ไม่มีอาบัติไม่ได้เพราะเธอมีอาบัติติดตัวใช่ปะ่ะแต่เธอบอกแล้วเพ ร, ะ, ระสงฆ์กาลังจะขอเข้าแต่ยังไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นจะไปตามบริวาสไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับ ครับเป็นประกาศตาของพระปริวัติอ่าปฏิกาศสนานี่ควรไงควรแก่ปริกาศสนาแล้วก็ปริการสนาก็ก็อ่าหมายถึงขอแล้วของปฏิวัติอีกเหมือนกันครับเป็นอีกครับควรก็เป็นขอแล้วก็เป็นมานัดก็เป็นควรแก่มานัดก็เป็นเป็นของปฏิวัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นปริวัตินี่คือต่ำสุดเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม เป็นพระประกาของพวะมณฑ์ด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้อ้ยต้องปริกัรศานาของมานฑ์นะครับปริการศาสนาของปริวาตไม่ได้ปริกัรศาสนาในมานั์อย่างนั้นก็เป็นปรกาศตาของมณฑ์ด้วยนะครับเป็นปรกาศท่าทำไมถึงเป็นประกาศตาของปริวัติครับน่าทั้งที่ก็ต้องมาบัตรด้วยกันอ่าแต่ท่านจัดลําดับไว้อย่างนี้นะครับปรกาศตาของปฏิวัติโอเดี๋ยวต้องให้ต้องมาขอก่อนหรือเปล่าครับไม่ใช่ พระพก่อนถูกล้มเลิกไปสครั้งครับโอ้ระพครั้งตอนเอ่งครั้ง<ล><ล>ตององนน้อนต้องถกล้มเลิกไปด้อ่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับติดคุกติดคุกในคดีหนึ่งอ่าคดีใหญ่มามันยิ่งใหญ่ไปอีก ใ, ใ, ใช้โซเปเนใหญ่ไปอีกกูเป็นพี่ใหญ่มั้นอยอ่านวดขาหน่อยอย่างนี้ท่านท่านต้องท่านติดคุกเพราะชกจิงวิ่งลาใช่ไหมท่านพิสิท์เล่นมาสิบสองศพพิสิเข้าไปทีหลัง เอน้องนอดขาหนุ่ขานี่สิบสองศอกไอ้นอนยิงราวเขะเกะครับนี่เอาไงดีพิสิทเอาเอาไงดีพิสิทอย่างนี้ต้องนอดขาตามตามที่ผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าพอต้องในระหว่างแล้วนะครับชื่อว่าวัดปริปริวาสที่ตัวเองประพฤติมานั้นชื่อว่าเสียไป เมื่อเสียไปแล้วก็เท่ากับว่าตัวเองยังไม่ได้ประพฤติยังครับเมื่อยังไม่ได้ประพฤติก็ทีนี้มีภิกษุมากอบที่ที่ประพฤติปริวาสอยูอ่ก็เลยภิกษุปฏิกานานั้นนะครับหรือว่าผู้คนแก่ปฏิกานานั้นก็เลยเป็นอประกาศกาของปริวาสอันอันนี้เขากําลังถ า, ถามถึงปฏิการนาเลยไอไอไ อ, อควร น, นี้เขาเขาหมดความสงสัยไปแล้วเขากําลังสงสัยปฏิการนาตอนตอนขอปฏิการนา ครับตอนปฏิการศนาแล้วเพราะอันนี้เริ่มแตงแต่ควรแก่การปฏิการศนาเป็นต้นใช่ไหมเป็นเป็นอะไรปกตศตาของของพิสูจผู้อยู่บริวารนะครับแ ต, แต่ทีนี้มกรณีที่ขอแล้วเนี่ยนะครับครับก็ก็ยังเป็นอยู่เลยครับมันเริ่มต้นจากควรปฏิการศนาเลยนะครับ แต่แต่แต่ควรนั้นคิดว่าใช่ครับแต่ที่ น, นี่ขอแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีอ้าวกรณ์ในในขณะที่ควรมานัดควรมานัดหรืออยู่มานัดก็ถ้าเกิดประพฤติผิดก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ก็ไปจัดนาแต่มามาล้มแค่มานัดไม่ได้แต่เวลามันผิดมันผิดในมานัดได้ประพฤติต้องอบัตในมานัดก็ได้ในขณะควรแก่มานัดก็ได้ใช่ไหมแต่เวลา เวลาเริ่มขอต้องไปขอใหม่เลยขอปริวาสเลยขอปริวาสเลยมันล้มหมดเลยเทียบไปหมดใหม่ย่าะงั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตรงนี้หน่อยนะครั บ, นนรบผู้ควรแกร่ปริการนาในในในทางทางทางปริวา ส, ใ น, วาสในทั้งมานัทนะครับเป็นวกนตตะถ้าเป็นถ้าขอแล้วตอนตอนขอแล้วเหมือนเสมอกันนะครับอ่าผิดนะครับเอาหม่เอาใหม่หแก้หมา พิกสูผู้อยู่ปริวาตินะครับอ้พิกษูผู้ควรแก่ประพฤติปริวัติแล้ ว, แ ล, วแล้วชักเข้าหาบาดเดิมควรแก่ปฏิการศนาในปริวัติก็ดีในมานัทก็ดีในใ น, ในกำลังก่อนจะพึ่งมื้มานัทนะครับผู้ควรแก่ปฏิการศนาแล้วกันในสองสองช่วงนี้เป็นประกาศตา ข, ของปริวัติกภิกษุแต่ในขณะที่ขอปฏิการศนาแล้วพระสงฆ์สวดให้แล้วชักเข้าหาบาดเดิมแล้วเสมอกันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับผิดนะครับผิด เขาบอาทั้งหมดเลยเว้นพิสูจผู้อ่อนกว่าเสียเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่สูงขึ้นใไปเป็นปริกัศนาเอปริกัศานาในในปริวา่าต้องในปริวา่ากดีในมานัทก็ดีแล้วก็มานัทก็ดีควรแก่อภายกรดีพวกนี้เป็นประกตศตาทั้งหมดนะครับของปริวา่าแล้วในปริวา่าเดียกันก็ตามลําดับผู้แก่นะครับแก่กว่าคนไหนแก่กว่าก็เป็นประกตศตาของผู้อ่อนกว่า เ ป, ปะกาศ ต, ตาไม่ใช่ไปขอสวดกรรมสวดอะไรได้หมายถึงยินดีการลุกหลับ ก, กันกล่าบว่ายอย่างนี้ได้นะครับหมายถึงแค่นั้นนะครับปกตศตาในที่นี้หมายเอาแค่นี้เองหมายถึงการทําสามรรมิจฉาการนําอาตนะอนำอะไรแทนนี้เองเรครัำตรงนี้ไม่ไม่ใช่ประกตศตาทั่วไปเหมือนกับประกตศตาภิกษุที่ไม่ได้ประพฤติวัดครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันคนละคนละอันกันนะครับที่เขาทํากันครับครับเขาทํากันยังไงเขาโลเป็นสามหมดเลยโลคือ ไม่นับพรรษากันไม่นับให้แล้วก็เริ่มนับพรรษาหนึ่งใหม่ทําอะไรก็าทาอะไรก็เสมอตั้งแต่ยีิบพรรษากับหนึ่งพรรษานี่พรรษาเข้าไปก่อนช่งนงวง น, นั้น<อ>ไม่ได้<อ>ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมแล้วครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องอาบาท ด, ด้วยอย่างนี้ทําอย่างนี้ต้องอาบาททุกคดขนาดเก็บวัดแล้วจะเดินรับบาทรับอะไรนี่ก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมครับให้ทางัวาวปวันหนึ่งตรงกลางไปวันหนึง่งตรงท้ายไปวันหนึ่ง นะรับก่อนนะครับเวียนกันขนาดเก็บวัดแล้วนะครับอก็แสดงว่าเอาเทล่มาไว้ที่หลังอ๋อไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เดี๋ยวกําลังจะถึงที่ที่รับอาหารนะครับรับอาหารรับผ้าอาบน้ำฝนรับอะไรเดี๋ยวยะกาลังจะถึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยมีตรงนี้จะมีอธิบายของอันนี้ได้ชัดเจนขึ้นต้องเป็นธรรมครับ ตั้งกติกาได้ตั้งได้แต่ต้องคอยตามของพระพุทธเจ้าไปขัดของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยนะครับกติกาตั้งได้แต่ต้องคอยตามต้องสนับสนุนคําของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าสงเอยเอยเอเราอ้าวเรากติกาลุยเลยไว้แต่งานคนละคนคนละคนตั้งกติกากันในวัดอย่างนี้ไม่ได้อ้าพีดอันนี้ก็ผิดเหมือนกันเข้าไหมครับอันนี้ก็ผิดเพระพุทธเจ้าบอกว่า เราไม่ได้ลดภาษาของพวกเธอใช่ไหมพวกเธอพึงยินดีการไหว้ตามลําดับผู้แก่อยู่ปฏิวัตเราเสมอกันนะเลโพภาษาภาษาไม่ต้องพูดถึงอย่างนี้กติกาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยใช่ไม่ได้แล้วผู้ผูู้ที่ผู้ที่แนะนํานั่นตอนบรรทุกอดแล้วตอนนี้เพราะทำให้เขาประพฤติไม่ตรงต้องดาววินัยใช่ไหมครับไม่ไม่ตรงต้องดาววินัยใช่ไม่ได้พวกผมไม่เคยเจอวะเนี่ยแบบนี้โอ้ผมไม่ใช่ใหญ่ใหญ่พันปะองแล้วครับ แต่ก็ไม่เห็นมีกติกาอย่างนี้ผมก็ไปเขาก็ทำตามลำดับพรัเขาไอดิกาสุกศุก็องค์หัวใหญ่สุดนยครับอยู่ข้างหน้ามินทบารก็เหมือนกันครั บ, บ, ตบแต่มินท บ, บารนี่ผมเก็บวัดใช่ไหมครับ